ติวาระสอุปาทานิโรธวาระหนึ่งปัจจุบันนวาระว่าด้วยสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันอนุโลมบุคคลร้อาสิบอนุทุกขศาตร์ของบุคคลใดกําลังเกิดสมุทัยศาตร์ของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิสมุทัยศาตร์ของบุคคลใดกําลังดับทุกขศาตร์ของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหม วิไม่ใช่อนุทุกขจักรของบุคคลใดกําลังเกิดมรรคจักรของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิมรรคจักรของบุคคลใดกําลังดับทุกขจักรของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิไม่ใช่ร้อยสามสิบเจดอนุสมุทญยศาสตร์ของบุคคลใดกําลังเกิดมรรคจักรของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิ มรรคสัิของบุคคลใดกำลังดับสมุทัยสัต์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิไม่ใช่อนุโลมโอการ้อยสามสิบแอนุทุกขระจัก์ในภูมิใดกำลังเกิดสมุทัยสัต์ในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิในอสัญญาจัตภูมในภูมินั้นทุกขระจักรกำลังเกิดแต่สมุทัยสั์ไม่ใช่กาลังดับ คำที่ท่านกําหนดว่าในภูมิใดเหมือนกันทั้งในอุปาทวาระนิโรทวาระและอุปาทานิโรทวาระไม่มีข้อแตกต่างกันอนุโลมปุคโลกาตร้อยสามสิเก้าอนุทุกกษัตริของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดสมุทญาสัจของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิไม่ใช่คําที่ท่านกําหนดว่าของบุคคลใด และของบุคคลใดในภูมิใดเหมือนกันปจเนกาบุคคลร้ออนุทุกขัสสะของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดสมุททยัสสะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิในพังคะขณะแห่งปัญหาทุกขัสสะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่สมุททยัสสะไม่ใช่ไม่กําลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติ ในพังค้ขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากตันหาในประวัติการและในอุปาทคขณะแห่งมรรคและผลในรูปภูมิทุกขัสัจของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสมุทยัยสัจก็ไม่ใช่กำลังดับปฏิสมุทยัยสัจของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับทุกขัสัจของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติในอุปาทคขณะแห่งจิตในประวัติการ สมุททยาัตส์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับแต่ทุกข์ศาสตร์ไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติในพังค์ขัณะแห่งจิตที่วิปยุจจากตันหาในประวัติการและในอุปาทาขณะแห่งมรรคและผลในรูปภูมิสมุททยาศตส์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับและทุกข์ศาตร์ก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุทุกข์ศาสตร์ของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิด มรรคสัจของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิในพังทัคขณะแห่งมรรคทุกขสั์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่มรรคสัจไม่ใช่ไม่กําลังดับบุคคลท่องหมดผู้กําลังจุติในพังทคขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากมรรคในาวัติการและในอุปาทคขณะแห่งมรรคและผลในรูปภูมิทุกขสั์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและมรรคสัจก็ไม่ใช่กําลังดับปฏิ มรรคสัตวิของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับทุกขสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติในอุปาทหขณะแห่งจิตในประวัติการมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับแต่ทุกขสัตว์ไม่ใช่เมื่อกําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติในพังฆะขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากมรรคในประวัติการและในอุปาทะขณะแห่งมรรคและผลในรูปภูมิ มรรคสัตร wow. ์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับและทุกขสัตว์ก็ไม่ใช่กําลังเกิดร้อยสอี่สิบเ e อ็ดอนุสมุทเสียสัตร์ของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งมรรคสมุทเยศยสัตร์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่มรรคสัตว์ไม่ใช่ไม่กําลังดับในอุปาทัคขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากตันหา ในพังค้าขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากมรรคบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตพภูมิสมุทัยศัสตร์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมรรคศาสตร์ก็ไม่ใช่กำลังดับปฏิมรรคศาสตร์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับสมุทัยศัสตร์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งตัณหามรรคศาสตร์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับ แต่สมุทยสัตว์ไม่ใช่ไม่กําลังเกิดในพังฆะขณะแห่งจิต ท, ที่วิปยุจจากมรรคและในอุปาทะขณะแห่งจิต ท, ที่วิปยุจจากตัญหาบุคคลผู้เข้านิโรธาสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตต ภ, ภูมิมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับและสมุทยสัตว์ก็ไม่ใช่กําลังเกิดปาเจเนกะโอกาสี่สอนุทุกสัตว์ในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิด ปาเ จ, จเนียกะบุคโลกาตร้อสี่สาอนุทุกสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดควาที่ท่านกำหนดว่าของบุคคลใดและของบุคคลใดในภูมิใดเหมือนกันในคำที่ท่านกำหนดว่าของบุคคลใดในภูมิใดไม่พึงเพิ่มคำว่าบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัต ติต ว, วาระว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีตอนุโลมบุคคลร้อสี่ิบสอนุทุกขัสัจของบุคคลใดไม่เคยเกิดสมุธยสัจของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสมุธยสัจของบุคคลใดเคยดับวิใช่พึงจำแนกอนุโลมและปัจจน尼กะแม้ในอุปาทานิโรธวาระให้เหมือนกับอตีตะปุจชา ในอุปาทวาระ 3. อนาคตาวาระว่าด้วยสภาวะธรรมที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคลร้อสี่ิหอนุทุกขะักดิ์ของบุคคลใดจกเกิดสมุทัยศักดิ์ของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตมักอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใ ด, ดในลำดับแห่งจิตนั้น ทุกขัสสะของบุคคลเหล่านั้นจกเกิดแต่สมุทัยสัตว์ไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ทุกขัสสะของบุคคลเหล่านั้นจกเกิดและสมุทัยสัตว์ก็จักดับปฏิสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดจักดับวิใช่อนุทุกขัสสะของบุคคลใดจกเกิดมรครคัสสะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิในพังคะขณะแห่งอรหันตมรรค อรหันตต่บุคคลและบุคคลผู้เป็นปุ้ทุชนซึ่งจักไม่ได้มรรคทุกข์กษัตริย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่มรรคษัตริย์ไม่ใช่จักดับในอุปาทัคณะแห่งอรหันตมรรคบุคคลจักได้อรหันตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นและบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มรรคทุกข์กษัตริย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและมรรคษัตริย์ก็จักดับปฏิมรรคษัตริย์ของบุคคลใดจักดับวิใช่ ร้ออนุสมุทิยศัสตร์ของบุคคลใดจกเกิดมรรคศาตร์ของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรรคสมุทิยศาสตร์ของบุคคลเหล่านั้นจกเกิดแต่มรรคศาสต์ไม่ใช่จักดับบุคคลผู้จักได้มรรคสมุทิยศัสตร์ของบุคคลเหล่านั้นจกเกิดและมรรคศาสตร์ก็จักดับปฏิมรรคศิสต์ของบุคคลใดจักดับ สมบทยาสั์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิในอุปาทาขณะแห่งอรหัตมรักบุคคลจักได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใจในลำดับแห่งจิตนั้นมาารรคจักของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่สมบทยาสัต์ไม่ใช่จักเกิดบุคคลผู้จักได้มรรคมรรจักาาของบุคคลเหล่านั้นจักดับและสมุทยาสั์ก็จักเกิดอนุโลมบุคคลร้อสี่เจอนุ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 ทุกขสัตร์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่สมุทัยสัตว์ไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจัตุวัวการภูมิและปัญจโวการภูมิมทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและสมุทัยสัตว์ก็จักดับคำที่ท่านกำหนดว่าของบุคคลใดและของบุคคลใดในภูมิใดเหมือนกันปั จ, จเนก บ, บุคคลร้อยสี่สิบเก้าอนุ ทุกขสัตว์ของบุคคลใดไม่ใช่จากเกิดสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดไม่ใช่จากดับทุกขสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรักอรหันตบุคคลและบุคคลจักได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากดับ แต่ทุกขสัจไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตสมุทัยสัจของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและทุกขสั์ก็ไม่ใช่จักเกิดอนุทุกขสั์ของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดมรรคสัจของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิมรรคสั์ของบุคคลใดไม่ใช่จักดับทุกขสั์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิในพังค์ขคณะแห่งอรหัตมรรค อรหันตต่บุคคลและบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มักมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่ทุกขสัตว์ไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและทุกขสัตว์ก็ไม่ใช่จักเกิดร้อห้าสอนุสมุทยาสัตว์ของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิ ในอุปาทัศขณะแห่งอรหัตตมรรคบุคคลจักได้อรหัตตมรรคในลำดับแห่งจิตใจในลำดับแห่งจิตนั้นสมุทยศัตร์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่มรรคสัตว์ไม่ใช่จักไม่ดับในพังค์ทขณะแห่งอรหัตตมรรคอรหันตบุคคลสมุทยศัตร์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดและมรรคสัตว์ก็ไม่ใช่จักดับปฏิมรรคสัตว์ของบุคคลใดไม่ใช่จักดับ สมบทยาสัตว์ของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรรคมรรคจั ก, กของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่สมบทยาสัตว์ไม่ใช่จักไม่เกิดในพังฆะกณะแห่งอรหัตมรรคอรหันต์บุคคลมรรคจักของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและสมบทยาสัตว์ก็ไม่ใช่จักเกิดปัจเนกาโอกาตรอยห้าสิบเอดอนุ ทุกขิั์ในภูมิใดไม่ใช่จกเกิดปัจจเนกะปุขโลการหสออนุทุกขสั์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จกเกิดคําที่ท่านกำหนดว่าของบุคคลใดและของบุคคลใดในภูมิใดเหมือนกันสมุทัยสัต์กับมรรคสัจมีข้อแตกต่างกันคือในพังคขณะแห่งอรหัตมรรค กระหันตบุคคลและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิมกรการตั์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและสมุทยาสัตว์ก็ไม่ใช่จักเกิด 4. ปัจจุปันนาตีตะวาระ ว่าด้วยสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอดีตอนุโลมบุคคลร้อยห้าสิบสามอนุทุกษะของบุคคลใดกำลังเกิดสมุธยาสั์ของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสมุธยาสั์ของบุคคลใดเคยดับคำถามที่เป็นอดีตพร้อมกับปัจจุบันในอุปาทาวาะก็ดีอุปาทานิโรธาวาะก็ดี คำที่ทัานกำหนดว่าของบุคคลก็ดีของบุคคลใดในภูมิใดก็ดีเหมือนกันทั้งอนุโลมและปัจจนีกะผู้มีปัญญาพึงจำแนกหปัจจุปันนาน า, นาคตะวาระว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคลร้อยห้าสิบสอนุทุกขสักข์ของบุคคลใดกาลังเกิด สมุทย้ายสัตว์ของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิในอุปาท่าขณะแห่งอรหัตมรักและในอุปาทาขณะแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทาขณะแห่งจิตนั้นทุกสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่สมุทย้ายสัตว์ไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ซึ่งกําลังอุบัติในอุปาทาขณะแห่งจิตในปวัติการ ทุกัะของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและสมุทัยสัตว์ก็จักดับปฏิสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดจักดับทุกษะของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการและในอุปาทขณะแห่งมรรคและผลในรูปภูมิสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่ทุกษะไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติ ในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการสมบทยาสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นจักดับและทุกขสัต์ก็กำลังเกิดอนุทุกขสั์ของบุคคลใดกำลังเกิดมรรคสัจของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลผู้เป็นปุถุชนที่จักไม่ได้มรรคซึ่งกำลังอุบัติในอุปาทัคขณะแห่งจิตในประวัติการทุกขสั์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิด แต่มตรรสสัตว์ไม่ใช่จักดับในอุปาทขณะแห่งอรหัตมรักบุคคลจักได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทขณะแห่งจิตนั้นบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มาซึ่งกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและมรรสสัตว์ก็จักดับปฏิมรรสสัตว์ของบุคคลใดจักดับทุกขสัตว์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิ ในพังค์ขขณะแห่งอรหัตมรัคษบุคคลจักได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใจในพังค์ขขณะแห่งจิตนั้นบุคคลเหล่าเอิญผู้จักเได้มรักซึ่งกำลังจุติในพังค์ขขณะแห่งจิตในประวัติการและในอุปาทขณะแห่งมรักและผลในอรูปภูมิมรักษัตดิ์ของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่ทุกประศักด์ไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขณะแห่งอรหัตมรัคษบุคคลจักได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใจ ในอุปาทขณะแห่งจิตนั้นบุคคลเหล่าเอ่ญผู้จักได้มรรคซึ่งกําลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการมรรคสัของบุคคลเหล่านั้นจักดับและทุกสัจพวกําลังเกิดร้อห้าบหอนุสมุทะยะสั์ของบุคคลใดกําลังเกิดมรรคสัของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งตันหาของบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรรค สมุทัยสัจของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่มรรคสัจไม่ใช่จักดับในอุปาทัคขณะแห่งตันหาของบุคคลผู้จักได้มรรคสมุทัยสัจของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและมรรคสัจก็จักดับปฏิเมื่อมรรคสัจของบุคคลใดจักดับสมุทัยสัจของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทัคขณะแห่งอรหัตมรรคบุคคลจักได้อรหัตมรรคในลําดับแห่งจิตใจ ในอุป า, าทาขณะแห่งจิตนั้นในพังคขณะแห่งตันหาของบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มักเมื่อจิตที่วิปยุจจากตันหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้เข้านิโรธาสมาบัตและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตต ภ, ภูมิมรรคสัจของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่สมุทญาสัจไม่ใช่กำลังเกิดในอุป า, าทาขณะแห่งตันหาของบุคคลผู้จักได้มักมรรคสัจของบุคคลเหล่านั้นจักดับและสมุทญาสัจก็กำลังเกิด อนุโลมโอกาดร้อยห้าสิบหอนุทุกขสัตย์ในภูมิใดกําลังเกิดอนุโลมะปุคะโลกาดร้อยห้าสิบเจ็ดอนุทุกขสัตย์ของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิในอุปาทาขณะแห่งอรหันตมรรคและในอุปาทาขณะแห่งจิตของอรหันตบุคคล บุคคลจะได้อรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทขณะแห่งจิตนั้นบุคคลผู้กําลังอุบัติในอสัญญสัตวภู ม, ม, ท ม, ภมาาาิทุกขสั์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่สมุทัยสั์ไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้กําลังอุบัติในจตุวการภูมิและปัญจวการภูมิในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการทุกขสั์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและสมุทยัยสัจก็จักดับ สมุทัยศัตร์ของบุคคลใดในภูมิใดจักดับทุกขศาสตร์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังจุติจากจตุโวการภูมิและปัญจะโวการภูมิในพังค์ขณะแห่งจิตในประวัติการและในอุปาทัขณะแห่งมรรคและผลในอรูปภูมิสมุทยศัสตร์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่ทุกขศาสตร์ไม่ใช่กําลังเกิด บุคคลผู้กำลังอุบัติในจตุวการภูมิและปัญจโวการภูมิในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการสมุทยาสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและทุกขสัตว์ก็กำลังเกิดอนุทุกขสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดมรรคสัต์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอบายภูมิ และบุคคลผู้เป็นปุถุชนที่จักไม่ได้มรรคซึ่งกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการบุคคลผู้กำลังอุบัติในอวัยภูมิและอสัญญาสัตตภูมิทุกขัตริย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่มรรคสัจไม่ใช่จักดับในอุปาทขณะแห่งอรหัตมรรคบุคคลจักได้อรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทขณะแห่งจิตนั้นบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มรรคซึ่งกำลังอุบัติ ในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการทุกขสัตริย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและมรรสก็จักดับปาฏิมรรสกัดของบุคคลใดในภูมิใดจักดับทุกขสัตริย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิในพังค์คณะแห่งอรหัตมรักบุคคลจักได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใดในพังค์คณะแห่งจิตนั้นบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มรักซึ่งกำลังจุติ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 มรรคสิจของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและทุกสัจก็กำลังเกิดร้อห้าสบแอนุสมุทยัยสั์ของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดมรรคสัจของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิในอุปาทาขณะแห่งตัณหาของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอบายภูมิและบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มาสมุทยัยสั์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิด แต่มกษัตริย์ไม่ใช่จักดับ ใ, ในอุปาทคขณะแห่งตันหาของบุคคลผู้จักได้มัก ส, ส ม, มุทรย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินมมั้นกําลังเกิดและมกษัตริย์ก็จักดับปฏิมกษัตริย์ของบุคคลใดในภูมิใดจักดับสมุทรย์ข <Allan> อ <why> งบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กํา <advantages> ลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทัคขณะแห่งอารัตมักบุคคลจักได้อาราตมักในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทคขณะแห่งจิตนั้น ในพังค์ขขณะแห่งตันหาของบุคคลเหล่าเอิญผู้จักได้มักเมื่อจิตที่วิปยุจจากตันหาเป็นไปอยู่มรรคศาตร์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่สมบททยศัตร์ไม่ใช่กําลังเกิดในอุปทาทขณะแห่งตันหาของบุคคลผู้จักได้มักมรรคศาสตร์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและสมุททยศัสตร์ก็กําลังเกิดปัจเจเนกาบุคคลร้อยห้าสเกอนุ ทุกขศาสตรของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดสมุทัยศัสตร์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติในพังค์ขณะแห่งจิตในประวัติการและในอุปาทคขณะแห่งมรรคและผลในรูปภูมิทุกขศาสตร์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สมทุทัยศาสตร์ไม่ใช่จักไม่ดับในพังค์ขณะแห่งอรหันตมรรคและในพังค์ขณะแห่งจิตของอรหันตบุคคล บุคคลจกได้อรหัธรรคะในลำดับแห่งจิตใจในพังคขคณะแห่งจิตนั้นในอุปาทาขณะแห่งอรหัธรรคะและอรหัตผลในรูปภูมิทุกขศาสของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสมุทยัยศาสก็ไม่ใช่จักดับปฏิสมุทยัยศาสของบุคคลใดไม่ใช่จักดับทุกขศาสของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทาขณะแห่งอรหัตมรรคะ และในอุป VIP, ทาทขณะแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใจในอุปาทคขณะแห่งจิตนั้นสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่ทุกษัตริย์ไม่ใ <usual> ช่ไม่กำลังเกิดในพังคะขณะแห่งอรหัตมรรคและในพังคขณะแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใจในพังคะขณะแห่งจิตนั้นและในอุปาทขณะแห่งอรหัตมรรค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 ในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการและในอุปาทักะแห่งมรรคและผลในรูปภูมิทุกขัสสะผงบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มรรคสัตว์ไม่ใช่จักไม่ดับในพังคะขณะแห่งอรหันตมรรคและในพังคขณะแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลผู้เป็นปุถุชนที่จักไม่ได้มรรคซึ่งกำลังจุติในพังคะขณะแห่งจิตในประวัติการและในอุปาทัณะแห่งอาราตผลในรูปภูมิ ทุกขสัจของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและมรรคสัจก็ไม่ใช่จักดับปฏิมรรคสัจของบุคคลใดไม่ใช่จักดับทุกขสัจของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลผู้เป็นปุถุชนที่จักไม่ได้มรรคซึ่งกําลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการมรรคสัจของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับ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 สมุทยธตา์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดมรรคสักของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งอรหัตมัคบุคคลจักได้อรหัตมัคในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทขณะแห่งจิตนั้นในพังค ข, ขณะแห่งตัณหาของบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มัคเมื่อจิตที่วิปยุจจากตัณหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัตและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาศนิสัตตภูมิ สมุทัยสัจของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มคษัตร์ไม่ใช่จักไม่ดับในพังคขณะแห่งอรหัตมักในพังคขณะแห่งตันหาของอรหันตบุคคลและบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มักเมื่อจิตที่วิปยุจจากตันหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัตและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิสมุทัยสัจของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมกษัตร์ก็ไม่ใช่จักดับ ปฏิมรรษทธ์ของบุคคลใดไม่ใช่จักดับสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งปัญหาของบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรรษทธ์รรษทธของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่สมุทัยสัตว์ไม่ใช่ไม่กําลังเกิดในพังขคขณะแห่งอรหัตตมรรษในพังคขณะแห่งตัญหาของอรหันตบุคคลและบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรรษ เมื่อจิตที่วิปยุ์จากตัญหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิมรรคสัของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและสมุทัยศั์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดปัจเจเนกาโอกาตร้อยหกสิบเอดอนุทุกประจัตในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดปัจจเนกาปุคโลการ้อยหกสิบสองอนุ ทุกษะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดสมุทยัยศาสตร์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังจุติจาก จ, ากจัตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิในพันค ข, ขณะแห่งจิตในปวัติการและในอุปาทคขนาแห่งมรรคและผลในรูปภูมิทุกษะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่สมุทยัยศาสตร์ไม่ใช่จักไม่ดับในพันฆาขณะแห่งอรหัตมรรค ในพังคขณะแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลจกได้อรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในพังค์ขณะแห่งจิตนั้นในอุปาทัคขณะแห่งอรหันตมรรคและอรหันตผลในรูปภูมิบุคคลผู้กําลังจุติจากอสัญญาสัตภูมิทุกขัสัจของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและสมุทัยสัจก็ไม่ใช่จักดับปฏิสมุทัยสัจของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับ ทุกขศ no ัตร์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทคขณะแห่งอาราตมักและในอุปาทคขณะแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อาราตมักในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทคขณะแห่งจิตนั้นบุคคลผู้กำลังอุบัติในอสัญญาสัตตภูมิสมุทยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่ทุกขศัตร์ไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังขัคขณะแห่งอารัตมัก ในพังคักขณะแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลจกได้อรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในพังคักขณะแห่งจิตนั้นและในอุปาทขณะแห่งอรหัตมรรคและอรหัตผลในอรูปภูมิบุคคลผู้กําลังจุติจากอสัญญาสัตตภูมิสมุททยาศาสตร์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและทุกข์สัตว์ก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุทุกข์สัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิด มรรคสัจของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งมรรคบุคคลจักได้อาราตมรรคในลำดับแห่งจิตใจในพังคขณะแห่งจิตนั้นบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มรรคซึ่งกําลังจุติในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการและในอุปาทคณะแห่งมรรคและผลในรูปภูมิทุกขจั์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่มรรคสัจไม่ใช่จักไม่ดับ ในพังค์ขขณะแห่งอรหัตมรักและในพังคขณะแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอวัยภูมิและบุคคลผู้เป็นปุถุชนที่จะไม่ได้มรักซึ่งกำลังจุติในพังค์ขัขณะแห่งจิตในประวัติการและในอุปาทขณะแห่งอาราัตผลในรูปภูมิบุคคลผู้กำลังจุติจากอวัยภูมิและอสัญญัตตภูมิทุกขัสัจของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมรัสสั์ก็ไม่ใช่จักดับ มัคคัจจ์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับทุกข์จิกรของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทัคขณะแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอบายภูมิและบุคคลผู้เป็นปุถุชนที่จักไม่ได้มักซึ่งกําลังอุบัติในอุปาทัคขณะแห่งจิตในประวัติการบุคคลผู้กําลังอุบัติในอบายภูมิและอ ส, สัญญาสตภูมิมัคคัจจ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับ แต่ทุกขสัตย์ไม่ใช่เมื่อกำลังเกิดในพังค์ขาคณะแห่งอรหันตมรรคและในพังค์ขาคณะแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอบายภูมิและบุคคลผู้เป็นปุตุชนที่จักไม่ได้มรรคซึ่งกําลังจุติในพังค์ขาคณะแห่งจิตในปวัติการในอุปาทขณะแห่งอาราตผลในอรูปภูมิบุคคลผู้กําลังจุติจากอบายภูมิและอสัญญัตตภูมิมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากดับ และทุกขัสัจก็ไม่ใช่กำลังเกิดร้ออนุสมุทยัยสัจของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดมัคสัจของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิในอุปาทัาขณะแห่งอรหตมัคบุคคลจักได้อรหัตมัชในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทคขณะแห่งจิตนั้นในพังคขณะแห่งตันหาของบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มัช เมื่อจิตที่วิปยุจจากตันหาเป็นไปอยู่สมุทัยาศาสตร์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มรรคศาสตร์ไม่ใช่จักไม่ดับในพังคขคณะแห่งอรหัตมัคอรหันต์บุคคลและในพังคขณะแห่งตันหาของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอบายภูมิและบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มัชเมื่อจิตที่วิปยุจจากตันหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิ สมุทรยศัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมกษัตร์ก็ไม่ใช่จักดับปฏิมกษัตร์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับสมุทรยศัสตร์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งตันหาของบุคคลผู้อุปบัติอยู่ในอบายภูมิและบุคคลผู้เป็นปุตุชนซึ่งแจกไม่ได้มักมกษัตร์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับ แต่สมุทัยสัตว์ไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังค์ขขณะแห่งอรหันตมรรคและในพังค์ขขณะแห่งตันหาของอรหันตบุคคลบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอบายภูมิและบุคคลผู้เป็นปุตุชนซึ่งจักไม่ได้มรรคเมื่อจิตที่วิปยุจจากตันหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิมรรคจัตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและสมุทัยสัตว์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดหก อตีตานาคตะวาระว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีตและที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคลร้อหอนุทุกศัสตร์ของบุคคลใดเคยเกิดสมุทยัยศาสตร์ของบุคคลนั้นก็จะดับใช่ไหมผู้รู้จำแน่อตีตาปุจ ช, ชากับอนาคตะปุ ช, ชาในนิโรทวาระทั้งอนุโลมและปัจจน尼กะชันใดในอุปาทานิโรทวาระ ก็พืนจำแนกฉันนั้นอุปาทานิโรทวาระจบปวติวาระจบ